อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ339 1. ิกภิกษุไม่ประสงค์จะเล่นน้ำา 2. ภิกษุลงน้ำแล้วดำลงผุดขึ้นหรือลอยในน้ำเมื่อมีเหตุจำเป็น 3. ภิกษุจะข้ามฝากจึงดำลงผุดขึ้นหรือลอยในน้ำา4ภิกษุว่ายน้ำในคราวมีเหตุขัดข้อง 5. ภิกษุวิกลจริตหภิกษุต้นบัญญัติหัสธรรมสิกาบทที่3จบ